บทภาชนีติกะปาราชิก672กร้ำที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นรำที่ทำถูกต้องไม่สละต้องอบัตติปาราชิกรำที่ทำถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจไม่สละต้องอบัติปาราชิกรำที่ทำถูกต like ้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นรำที่ทำไม่ถูกต้องไม่สละต้องอบัติปาราชิกติกะทุกกฏ กรรมที hm ่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องต้องอบัตทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอบัติทุกกฎกรรมที่ทำไม่ถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำไม่ถูกต้องต้องอบัตทุกกฎ